ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังธรรมชาดกแผ่นที่แปดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีชาดกแผ่นที่แปดให้คติธรรมหัวข้อว่ามามะโทภารตูสภะผู้มีภาระ ปกครองรัฐอย่าได้ประมาทเลยอันนี้คือการดูแลเพราะว่าในชาดกมีหลายเรื่องที่พระเจ้าแผ่นดินปกครองรัฐในยุคที่พระพุทธองค์ทรงสุไวพระชาติเพราะฉะนั้นจึงได้สาธกยกมาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับในการดําเนินชีวิตดําเนินการเป็นอยู่ด้วยการปกครอง ท่านบอกว่าท่านจะไม่ประมาทในการเป็นผู้ใหญ่ดูแลรอบครอบจะไม่หนักไปทางอบายจมุกหรือว่าหนักไปทางอธรรมที่ว่าไม่มีเมตตาท่านต้องเป็นผู้มีความอดทนต้องเป็นผู้มีขันติมีปริยะมีปัญญาทุกอย่างที่จะ ดูแลประเทศชาติบ้านเมืองถ้าผู้ใดดูด้วยความประมาทในการดูแลประเทศชาติเป็นผู้ปกครองหมู่พวกเพื่อนชอบดื่มของมึนเมาอย่างนี้เป็นตน้นหรือบอกยาเสพติดอย่างนี้เป็นตน้นคนนั้นบางทีอาจจะมีการพลั้งพลาดพลั้งเผลอได้ง่ายๆเพราะนั้นผู้มีภาระปกครองรัฐ อย่าได้ประมาทเลยอันนี้ก็คือเป็นเครื่องเตือนย้ำสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่แต่ผู้ปกครองรัฐละผู้ปกครองตนเองก็เหมือนกันผู้ปกครองครอบครัวก็เหมือนกันผู้ปกครองหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดก็เหมือนกันถ้าพวกเราตั้งอยู่ในความประมาทชอบดื่มของเหมือนเมา ผลในสูตก็นี่ยแหละชอบสิ่งที่เป็นอบายยมกก็ทําให้พวกเราตั้งอยู่ในความประมาทได้ง่ายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านทุกทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่จะเป็นผู้ปกครองหมู่พวกเพื่อนหรือว่าตัวเองปกครองตนเองก็เหมือนกันอย่าตั้งอยู่ในความประมาทในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างพระพุทธองค์ท่านตรัสว่า ต่อที่อัปประมาเดชนะซ้ำบาเดทาติขอให้ท่านจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดประโยชน์ตนก็จะได้ขาดตก ป, ปกพ้องประโยชน์ท่านก็จะให้ขาดตก ป, ปกพ้องถ้าพวกเราเป็นผู้มุ่งมั่นตั้งใจตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอย่างนี้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขทั้งตนเองและพวกพ้องบริวารประเทศชาติบ้านเมืองโลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขด้วยกัน ถ้าอยู่โดยโด้วยกันโดยทำรรโดยอำนาจขุนพศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มาคุ้มครองพวกเราจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมอใหยสมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเทอญ